Book 2 19 19เกในห้องครัวคุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะวันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะ ЩЩО ХОЧЕШЬ ТИ хоч в а คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหาร Ты вариш н а е л е к т р и ц і чи на ซี่หดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะชิ повинен повинна я р і з а ิซาติซีบูลดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ ЧИ ен, п о ินน์พวินนา н ะชื้นต์ต์ติข้าวโพดลดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะฉีพวินน์ н วินนาจะมีต์สัลตัด ен, แก้วน้ำอยู่ที่ไหนเดสก์เลนกจานชามอยู่ที่ไหนเดปุ ช้อนซ่อมและมีดอยู่ที่ไหนไคุณมีที่เปิดกระป๋องไหมค ะ, ม ค, ะคุณมีที่เปิดขวดไหมคะคุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะ ش ت ش ت คุณกำลังทำซุปในหม้อบใบนี้ใช่ไหมคะคุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะคุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะุณกำลังย่างผักบนเตายงนี้ใช่หมค ดิฉันกำลังตั้งโต๊ะนี่คือมีดจอมและช้อนอ น, นี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาดก